ข้อที่41แท้จริงการพบบัณฑิตก็เป็นสุขส่วนการพบคนพาลเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นในสกะเทวินทะวัตุพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการพบพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นความดีการอยู่ร่วมกับพระอริยทั้งหลายเป็นสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิสได้จริงๆ ก็เพราะการไม่พบพวกคนผ่านเบิร์าบทเหล่านั้นบทว่าอาริยานางเป็นต้นความว่าภิกษุทั้งหลายการพบสัตว์บุษทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นความดีคือยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แก่เป็นความงามอธิบายว่าเป็นความสุขมิใช่การพบพระอริยเท่านั้น อย่างเดียวเท่านั้นเป็นความดีที่แท้แม้ภาวะมีการนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวกับพระอริยะเหล่านั้นก็เป็นความดีเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสันนิวาโสเป็นต้นบทว่าอทัศนีนะคือเพราะเหตุแห่งการไม่พบบทว่าสุขีคือ บุคคลพูดถึงความสุขป้าะว่าสุขขังดังนี้ก็มี